แนะนำบทอลัลฟรุรกรบทอลัลฟรุรกรเป็นบทมักกิยะมี77็สิบเจองค์การเริ่มโดยการกล่าวถึงคำพีอลัลกุรอานซึ่งพวกมุสลิกีนได้ใช้วิธีการต่างๆนานานในการใส่ไครและปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นองค์การจากพระเจ้าบางครั้งก็กล่าวอ้างว่าเป็นนิทานเกี่ยวกับอภินิหารของผู้เศษบางครั้งก็กล่าวว่าเป็นการอุปโลกของมุฮัมมัดเอง แต่บางครั้งก็อ้างว่าเป็นมายาคนบ้างอลเลสซิงโต้ตอบพวกเหล่านั้นในการกล่าวอ้างพร้อมกับนําหลักฐานและข้อพิสูจน์มาแสดงว่าอัลกุรอานนั้นถูกประทานลงมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลกหลังจากนั้นได้กล่าวถึงสารการเผยแพร่ซึ่งพวกมุชริกีนที่ดื้อรั้นเข้ามาทําเป็นเจ้าพี่เจ้าการเสนอแนะว่าผู้จะเป็นรอซูลเผยแพร่ศารของอัลลอฮ์นั้น จะต้องเป็นมะลักมิใช่บุคคลธรรมดาแล้วว่าสารนั้นจะต้องมีมาเฉพาะสําหรับผู้มีเกียรติและผู้มั่งมีเท่านั้นส่วนในกรณีที่เราซูลมาจากคนธรรมดาและผู้ที่จะทําหน้าที่นี้จะต้องเป็นผู้มั่งคัง่งและมีหน้ามีตาไม่ใช่คนยากจนอนาถากัมพราบิดามารดาในกรณีนี้อัลลอฮฺทรงตอบโต้ข้อกังขาของพวกเหล่านั้นด้วยหลักฐานอันชัดเจน ในหลายองค์การที่กล่าวถึงพวกมุสลิมที่ตระหนักถึงความจริงและยอมรับในข้อเท็จจริงแล้วแต่พวกเขาได้กลับไปสู่ความเลวทรามอย่างเดิมเช่นอุคบะอิบูอบีมุกิดคนผู้นี้ได้เคยรับนับถืออิสลามมาแล้วแต่เขาได้กลับไปสู่ศาสนาเดิมของเขาอีกโดยการชัญชวนจากเพื่อนของเขาคืออุบยัยอิบนีคยอลับอัลกุรอานได้กล่าวถึงชายผู้นี้ว่าเป็นผู้อารรม การดำเนินเนื้อเรื่องของบทนี้ได้กล่าวถึงนบีบางท่านโดยสังเกตและได้กล่าวถึงประชา ช, ชาติที่ปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดานับีเหล่านั้นตลอดจนการลงโทษและความหายนะที่ประสบกับพวกเขาเนื่องจากการดื้อรั้นและปฏิเสธไม่ยอมศรัทธาต่อบรรดาราซูลของอัลลอฮ์เช่นกลุ่มชนชาติของนบีนัวอาส์มูดชาวอันซอร์พวกลูต บทนี้ยังได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆ ท, ที่แสดงถึงอานุภาพและความเป็นเอกภาพของอัลลอฮฺสุบะคารูอุตาลารวมทั้งความประหลาดและสิ่งที่แสดงถึงความมหัศจรรย์ในการสร้างจักรวาลของโรมซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงอนุภาพของอัลลอฮฺและบ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่ของโรมบทนี้จบลงด้วยคุณลักษณะของอีบาดุดรอฮมานคือบ่าวของอัลลอฮฺ และสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงยกย่องให้เกียรติแก่พวกเขาอันหนึ่งมาจากการมีบรรยาที่น่าสรรเสริญสมควรได้รับการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ในสวนสวรรค์ชื่อของบทบทนี้ถูกใช้ชื่อว่าบทอัลฟุรุรกรดทั้งนี้เพราะอาลัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้ในบทถึงคำพินี้ซึ่งพระองค์ทรงประทานลงมาให้แก่บ่าวขององค์คือมฮัมหมัดซลฮลลวะไลฮุสสลัม นับได้ ว, ว่าเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่แก่มนุษยชาติทั้งปวงเพราะมันเป็นดวงประทีปอันจรัสและแสงสว่างอันชัดแจง้งซึ่งอัลลอฮ์ทรงแยกแยะเห็นอย่างชัดแจง้งระหว่างความจริงกับความเท็จและแสงสว่างกับความมืดและการผูกโฟกักับการอิมานดังนั้นจึงเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะถูกขนานนามว่าบทอัลฟุร์กอ ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอความจำเริญยิ่งแด่พระองค์ผู้ทรงประทานอัลฟุรุกรอนแก่บ่าวของพระองค์มฮัมมัด เขาจะได้้เเป็นนผูตตัือแก่พวงบ่าทั้งหมดสัโปรงเป็นผู้ครอบครองบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและโปรงจะไม่ตั้งผู้ใดเป็นพระบุตร และสำหรับโปรงนั้นไม่มีหุ้นส่วนร่วมกับโปรงในการครองอำนาจและโปรงได้ทรงบังเกิดทุกสิ่งและทรงกำหนดให้มันเป็นไปตามกฎสภาวะวัตกฐูมินยูนิฮีอาลฮะล่ายัขลุกูนชัยอัว่าหุมยุขลักูนวัลายันลิกูนลิอันฟุสิหิมบรรววัลา น, านฟรา ลพวกเขามุชริกรีได้ขอรบบูชาพระเจ้าอื่นๆจากพองค์พระเจ้าเหล่านั้นไม่ได้สร้างสินใดโดยที่พวกเขาถูกสร้างขึ้นมาและพวกเขาไม่มีอำนาจที่จะให้โทษและให้คุณแก่ตัวเองได้และพวกเขาไม่มีอำนาจควบคุมความตายและความเป็นและการฟื้นคืนชีพเลย รั ا إ أ إ บน้าผู้ปฏิเสธสักกา่าว่าแท้จริงอัลกุรอานนี้ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเรื่องโกหกที่มูฮัมหมัดได้กุกขึ้นเอง และกลุ่มชน อ, นอื่นๆได้ช่วยเขาในเรื่องนี้ความจริงพวกเขาได้นำมาซึ่งความอายุติธรรมและการโกหกและพวกเขากล่าวว่าอัลกุรอานเป็นนิยายของคนสมัยก่อนๆได้เขียนขึ้นแล้วถูกนำมาอ่านให้ขึ้นใจ Icana, ทั้งเวลาเช้าและเวลายเย็นจงกลา่าวเถอดมูฮมหมัดว่าผู้ทรงรอบรู้ความลับในมดาชั้นฟ้าและพันดินเป็นผู้ประธานมันลงมา แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอและ้ ว, วเขากล่าวว่าอะไรกันกับรอสูลคนนี้เขากินอาหารและเดินในตลาดทำไมจึงไม่มีมาลักถูกส่งมากับเขา เพื่อจะได้เป็นผู้ตักเตือนร่วมกับเขาหรือมีครั้งสมบัติผูกโยนมาให้เขาหรือให้เขามีสวนแห่งหนึ่งเพื่อเขาจะได้กินสิ่งที่ที่มีอยู่ในสวนนั้น และบรรดาผู้อาธรรมกล่าวขึ้นว่าพวกเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามผู้ใดนอกจากชายผู้ถูกอาคมเท่านั้นโอ้พวกเ ข, ย า, ขาย่อมจะาดจงดูเถิดพวกเขาได้เปรียบเปรยตัวอย่างต่างๆแก่เจ้ามุฮัมมัดอย่างไรพวกเขาจึงหลงทางและพวกเขาก็ไม่สามารถจะพบทางแห่งความจริงได้ ج ج ความจำเริญยิ่งแดโพระงผู้ซึ่งหากพรงทรงประสงค์จะให้เจ้ามีดียิ่งกว่านั้นคือมีสวนสวรรค์หลากหลาย มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างและทรงให้เจ้ามีปราสาทหลายหลังแต่ถาวาพวกเขาปฏิเสธวันอวสานและเราได้เตรียมไฟอันร้อนแรงไว้สำหรับผู้ปฏิเสธ วันเมื่อนรกยานนำเห็นพวกเขาจากที่ไกลๆพวกเขาจะได้ยินเสียงเผาไหม้และเสียงเดือดพล่านของมัน و ม ذ ا ألقو منها م น ا ن ก ضيقا مقرنين دعوهن إلى ك س ูร ا และเมื่อขาถูกโยนลงไปในสถานที่แคบแคบในสภาพที่ถูกมัดมือติดกับลำคอณนะที่นั้นพวกเขาจะวิงวอนขอความผิดหน้าให้แก่ตัวเขาเองจจนนนในวันนี้เจ้าอย่าได้วิงวอนขอความผีดนา้เาเพียงครั้งเดียว แต่จงวิงวอนขอความพินาศหลายๆครั้งเถิดกล่าวถึอนัอนทั้งนี้เพรว่าสิ่งนั้นสิ่งดีกว่าหรือสวนสวรรค์อันชั่วนิรันดิ์ที่บรรดาผู้ยำเกรงถูกสัญญาไว้ว่า สำหรับพวกเขาจะได้รับการตอบแทนและเป็นบ้านปลายที่ดีสำหรับพวกเขาในสวนสวรรค์ น, นั้นจะได้รับสิ่งที่พวกเขาประสงค์โดยจะพนมนักอยู่ตลอดกาล มันเป็นสัญญาที่ถูกวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเจ้า ว, วันที่พระองค์ทร ง, งรวบรวมพวกเขาและบรรดาผู้ที่พวกเขาเคารพภักดีอื่นจากอัลลอฮ แล้วพระองค์ตรัสถินว่าพวกเจ้าทำให้บรรดาบ่าวของข้าเหล่านั้นหลงทางกระนั้นหรือหรือว่าพวกเขาหลงทางกันดี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 และพวกเขาได้เป็นกลุ่มชนที่วิบัติแม่นอนพวกเขาได้ปฏิเสธพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวแต่นั้นพวกเจ้าจึงไม่สามารถเลี่ยงไม่ให้มีการลงโทษและไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ และผู้ใดในหมู่พวกเจ้าอาธรรมเราจะให้เขาลิ้มรถการลงโทษอันมหัน أَتَصْبِرُونَ และเราไม่ได้ส่งคนใดในบรรดารอศูญก่อนหน้าเจ้านอกจากพวกเขาจะรับประทานอาหารและเดินไปในตลาดและเราได้ทำให้บางคนในหมู่พวกเจ้าเป็นการทดสอบแก่อีกบางคนเพื่อดูว่าพวกเจ้าโจดทนไหมและพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นทรงเห็นทุกอย่าง และบรรดาผู้ที่ไม่หวังจะพบเรากล่าวว่าชไหนเล่ามาไรกล้าจึงไม่ถูกส่งลงมาอย่างพวกเราหรือเราไม่เห็นพระผู้อภิบาลของเราแน่นอนพวกเขาหญิ่งยะโสในตัวของพวกเขามากและพวกเขาได้ละเมิดขอบเขตอย่างมากมาย ي ي ل ل วันที่พวกเขาเห็นมาลายาในวันนั้นจะไม่มีข่าวดีสำหรับผู้กระทำความผิดและมาลายกาก็จะกล่าวว่าสวรรค์จะถูกห้ามอย่างเด็ดขาดสำหรับพวกเขาแล้วว่กาก็ยินาอิม ه ه เราเุ่งสู่ส่วนหนึ่งของการงานที่เขาได้ปฏิบัติไว้แล้วเราได้ทำให้มันไร้คุณค่ากลายเป็นขุนละอองที่ปลิวว่อนาวุเจนอดินขัย ร, มม ร, รมม์มุสตวอัสนุมลชาวสวรรค์นในวันนั้นจะอยู่ในที่พำนักที่ดีและที่พักผ่อนอันสบายยิ่ง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 โอ้ความริบัติสำหรับฉันหากฉันไม่คบคนนั้นเป็นเพื่อน ل ل ي, แน น, น่อนเฉัได้ทำให้ฉันหลงผิดจากการตักเตือนหลังจากที่มันได้มีมาอย่างฉัน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 และเราได้จัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยและพวกเขาจะไม่นำข้อเปรียบเทียบใ ด, ดๆมาอย่างเจ้าเว้นแต่เราจะได้นำความจริงมาให้เจ้าและการอธิบายอย่างดียิ่ง รบรร ด, ดาผู้ที่ถูกให้มาชุมนุมกันจะใช้ใบหน้าของพวกเขาเดินไปยังนรกอย่างนำคนเหล่านั้นจะอยู่ในสถานที่ที่เลวและหลงทางไปไกลดีบและถ้าจริงเราได้ประทานคำสีเต่ารอนแก่มูซา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 และแต่ละชนชาติเราได้นําหลักฐานมาชี้แจงแต่เขาและแต่ละชนชาตินั้นเราก็ได้ทําลายไปอย่างสินส้นซากแต่แท้จริงพวกเขาได้ผ่านมายัางหมู่บ้านที่ถูกทําลายโดยก้อนหินที่ตกลงมาจากฟาก ฟ, ฟ้าและพวกเขาไม่เห็นมันดอกหรือ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 ผู้ใดจะลุ่มหลงทางกันแน่เจ้าเ ห, าหาะะาม็นดอกหรือผู้ที่ยึดเอาอารมณ์ไปต่ำของเขาเป็นพระเจ้าของเขาแล้วเจ้าจะเป็นผู้คุ้มครองเขาการะนั้นหรือ อ, ะอะเะก หรือเจ้าจะคิดว่าพวกเขาส่วนใหญ่จะได้ยินหรือใช้สติปัญญาพวกเขาไม่ใช่อื่นใดหอกนอกจากเป็นสัตว์เดรัจฉานยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังจะหลงทางอีก จะไม่ได้พิจารณาดูพระผู้อภิบาลของเจ้าดอกหรือว่าพระองค์ทรงแผงเงากระจายออกไปอย่างไรและหากพระองค์ทรงประสงค์แน่นอนพระองค์จะทรงทำให้มันหยุดนิ่ง แล้วเราได้ทำให้ดวงอาทิตย์เป็นสัญญาณหนึ่งในการนี้แล้วเราได้เงาสูญสิ้นจากเราไปทีละน้อยและพระองค์คือผู้ทรงทำให้กลางคืนเป็นเครื่องนุ่งหมสำหรับพวกเจ้า และให้การนอนเป็นการพักผ่อนและทำให้กลางวันมีการเคลื่อนไหวและพระองค์คือผู้ส่งลมเป็นการนำข่าวดีทำกลางความเวตตาของพระองค์และเราได้ประทานน้ำสะอาดลงมาจากฟากฟ้า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 และมนุษย์มากมายดื่มมันและแท้จริงเราได้ชี้แจงมันขณนกูอ่านระหว่างพวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้พิจารณาแต่มนุษย์ส่วนมากไม่ยอมรับนอกจากการปฏิเสธ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 และ ح ระองค์คือผู้ทรงทำให้ทะเลทั้งสองบรรจบติดกันอันนี้จืดสนิทอันนี้เข็มจัดและทรงทำที่ขั้นระหว่างมันทั้งสองและที่ขวางกั้นอันแน่นหนา และพรองคคือผู้ทรงบังเกิดมนุษย์จากน้ำอสุจิและทรงทำให้มีเชื้อสายและเครืยญาติและพระผู้อภิบาลของเจ้านั้น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 และพวงเบาวของพระผู้ทรงกรุณาคือบรรดาผู้ทิ่เดินบนแผ่นดินด้วยความสงบส ง, งีมิมและเมื่อพวกงโงกเขา่ากล่าวทักทายพวกเขาพวกเขาจะกล่าวว่าสันติ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 พระผู้ยบานของเราพอพระองค์ทรงหันเหการลงโทษของนรกไปให้ผลจากเราแท้จริงการลงโทษของมันนั้นคงอยู่ตลอดกาลแท้จริงมันเป็นที่อยู่และที่พำนักอันเลวร้ายยิ่ง จะเป็นดาผู้ที่เมื่อพวกเขาใช้จ่ายพวกเขาก็จะไม่สุรุยสุร่ายและไม่ตรณีและระหว่างสองสภาพนั้นพวกเขาอยู่สายกลย์ ولا الل الله َلَا اللَّهُ أَثَامَا ะบรรดาผู้ที่ไม่มีวานขอพระเจ้าอุญัยนนเทียงคู่ไปกับอัลลอฮ์และพวกเขาไม่ฆ่าชีวิตเี่อัลลอฮ์ทรงห้ามไว้เว้นแต่เพื่อความยุติธรรมและพวกเขาไม่ผิดประเวณีและผู้ใดกระทำเช่นนั้นเขาจะได้พบกับความผิด การ ล, ล, ลงโทษในวันประโลกจะถูกเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าสำหรับเขาและเขาจะอยู่ในนั้นอย่างอั ป, ปยศการลงโทษในวันพราโลบจะถูกเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าสำหรับเละยนนอย่าง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 แท้จริงเขากลับเนื้อกลับตัวเข้าหาอาลัลลอฮ์อย่างจงลลาาริงจังและบรรดาผู้ไม่เป็นพยานเท็จและเมื่อพวกเขาผ่านเรื่องไร้สาระพวกเขาก็ผ่านไปอย่างมีเกียรติละบรา้บบยามวกเารอสาระพวกเขาก็ผ่านไปอย่างมีเกียร และบรรดาผู้ที่เมื่อถูกกล่าวเตือนให้รำลึกถึงองค์การทั้งหลายของพระผู้อภิบาลของพวกเขาพวกเขาจะไม่หินหลังให้เช่นสภาพคนหูหนวกและตาบอดและบรรดาผู้ที่กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเรา ขอปโปรดประทานแกเราซึ่งคู่ครองของเราและลูกหลานของเราให้เป็นที่รื่นรมแกสยตาของเราและทรงทำให้เราเป็นแบบอย่างแกบรรดาผู้ยังเกรง ah เขาเหล่านั้นจะรับการตอบแทนในการที่พวกเขาอดทนและพวกเขาจะได้พบการกล่าวคำต้อนรับ ดโดยเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นอย่างถาวรซึ่งเป็นพี่พำนักและเป็นพี่พักอาศัยที่ภู ม, มิฐาน ต้องกล่าวเถิดมัหมัดว่าพระผู้อิยบาลของฉันจะไม่ใยดีต่อพวกเจ้าหากไม่มีการิบมรของพวกเจ้าความจริงพวกเจ้าได้ปฏิเสธไม่รับฟังดังนั้นการลงโทษจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน